เรื่องสวนแสงธรรมเนื้อนาบุญของพวกเราโดยพี่ใหม่เมื่อบ่ายสี่โมงของวันหนึ่งน้องสาวบอกว่าพี่อ้อยโทรมารู้สึกดีใจเพราะไม่ได้พบกันนานตั้งแต่หลวงตากลับวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันเข้าพรรษาเมื่อรับโทรศัพท์พี่อ้อยขอให้เขียนความรู้สึกที่มีต่อหลวงตา หรืที่เรียกในหมู่ของพวกเราว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมบอกพี่อ้อยว่าผมเขียนไม่ได้ผมไม่มีความสามารถในการเขียนหนังสือพี่อ้อยบอกว่าคุณสนันและเพื่อนๆทุกคนลงมติว่าให้ผมเขียนผมจึงต้องเป็นนักเขียนจําเป็นผมนึกย้อนถึงครั้งแรกๆที่ผมได้พบกับหลวงตาหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราในยุคแรกเวลาหลวงตาเข้ากรุงเทพ ท่านบินธบตโดยเดินออกจากสวนแสงธรรมเหลียวซ้ายไปตามถนนซึ่งตอนนั้นถนนยังเป็นลูกรังผ่านหน้าสำนักอุบาสิกามาสุดที่หน้าสวนแสงธรรมตอนนั้นพุทธมณฑลสายสามยังไม่ได้ตัดถนนยุคนั้นคุณยายหรือแพทย์หญิงอุไรวันรสนานนยังใส่บาตอยู่พวกเราก็จะยืนรออยู่ฝั่งขวาของพระเมื่อใส่บาตเสร็จแล้วก็ไปรอที่สามแยกสวนแสงธรรมเดิมมีศาลาริมทางเล็กๆอยู่ หลวงตาก็ยืนให้พรผู้ที่จะกลับไปทำงานก็รับพรก่อนกลับผู้ที่ยังอยู่ซึ่งมีอยู่ไม่มากประมาณ30บคนก็จะกลับไปรอที่สวนแสงธรรมเพื่อคอยจัดอาหารและอยู่ฟังธรรมผมจำได้ว่าตอนนั้นพวกเรามีอยู่ส5ห้าคนมีผมพิกรมหรือร้อยเอกชานรงแดงกูลพี่มนัตคุณสุรศักตุ้มเกรียงชัยพวกเราจะเดินตามหลวงตาไปคอยเพื่อถ่ายบาต สมัยนั้นใช้กระป๋องเหลืองเมื่อกระป๋องเต็มก็มาเทใส่ท้ายรถพี่มนัทซึ่งเป็นรถโอเพ่นจอดอยู่ตรงหัวมุมถนนพระจะเดินบินทบาทเป็นระยะทางไกลพอสมควรพี่กรมจะอุ้มบาดเดินตามหลังหลวงตาส่วนพระรูปอื่นจะเดินล่วงหน้ากลับสวนแสงธรรมไปก่อนช่วงยุคแรกๆผมใส่บาเสร็จก็กลับวันหนึ่งพี่กรมชวนให้เข้าไปช่วยในสวนแสงธรรมกันผมรู้สึกลังเล ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้และเดินตามไปนั่งดูเราไม่รู้จักใครต่อมาก็ทำความรู้จักกับนวลโดยไปช่วยเก็บจานบ้างล้างจานบ้างเช็ดถูศาลาบ้างสมัยนั้นมีพระที่ติดตามหลวงตามมาสี่รูปมีหลวงปู่เพียนอาจารย์ดิก๊กท่านเติมและท่านน้อยเมื่อพูดถึงสวนแสงธรรมก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณตาและคุณยาย เพราะที่แห่งนี้ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราก็ว่าได้ท่านทั้งสองเป็นผู้บริจาคที่ดินถวายหลวงตาหากไม่มีสวนแสงธรรมแล้วพวกเราจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้หรือดังข้อเขียนของคุณชายป๋มหรือหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมในหนังสือรำลึกถึงนาวาเอกสกลรสานนวันที่ส0บสิงหาคมพุทธศักราช2540่ดังนี้ สวนแสงธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยแรงศรัทธาของคุณตาและคุณยายคือแพทย์หญิงอุไรวันที่มีต่อหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านถวายที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์ใช้เป็นที่พำนักเมื่อลงมาโปรโดญาติโยมชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงชาวสวนแสงธรรมได้อาศัยร่มบุญนี้ฝังธรรมมะและกราบไหว้พระหลวงตาอันเป็นมงคลสูงสุดเมื่อพูดถึงมงคลอันสูงสุด ก็อดไม่ได้ที่จะแทรกความรู้สึกของผู้เขียนลงไปด้วยว่าครั้งหนึ่งได้เคยไปกราบหลวงปู่จันทาวัดป่าเขาน้อยประมาณปีพศ2 5 4หนึ่งกับเพื่อนๆนเมื่อกราบแล้วรอฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมเสร็จพวกเราก็ลากลับเพื่อนเื่อนกราบเรียนท่านว่าพวกนี้มาจากสวนแสงธรรมหลวงปู่จันทาก็ตอบว่าเกิดมาชาตินึง ขอให้มีโอกาสใสบาต ท, ท่านอาจารย์หลวงตามาหาบัวสักครั้งหนึ่งก็ยังดีท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าท่านบอกลูกศิษย์ของท่านอย่างนี้ต่อมาเมื่อกลับมากรุงเทพคุณตาจะมาใส่บาตฟังธรรมทุกวันไม่เคยขาดที่นั่งคุณตาจะอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นศาลาชั้นบนด้านหลังไม่เคยแสดงตนเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรือมีสิทธิพิเศษแต่อย่างใด ไม่เคยมานั่งอยู่แถวหน้าอย่างที่นิยมกันท่านอยู่ของท่านเงียบๆไม่สแสดงตัวลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆไม่รู้เลยว่าท่านเป็นผู้บริจาคที่ดินและอาคารแห่งนี้ช่วงหลังๆคุณตาท่านเดินไม่ไหวลูกสะพ้ายภรรยาคุณอูด๊ดหรือคุณเขมมาชัยต้องจูงท่านมาใส่บาทต่อมาท่านป่วย ผมได้ไปกราบเยี่ยมท่านพร้อมคุณหมูเมื่อเดือนเมษายนปีพศ2540ท่านดีใจหัวเราะเสียงดังและบอกว่าจะกลับบ้านซึ่งเป็นการกลับครั้งสุดท้ายของท่านในชาตินี้ก่อนจะเดินทางต่อไปในภพหน้าหลวงตาสอนลูกศิษย์ของท่านเสมอว่าให้ทำทานเรนาะกุศลจักทานจะเป็นเครื่องหนุนนำเราไปในทางที่ดี คุณตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยฐานอันยิ่งใหญ่เพราะผู้คนนับร้อยนับพันได้อาศัยสวนแสงธรรมเป็นเสมือนแสงนำใจให้ได้พบความร่มเย็นแม้สรพสัตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำและปลาก็อาศัยเนื้อนาบุญพื้นนี้เช่นกันด้วยอำนาจบุญจากฐานของคุณตายอมเป็นที่แน่ใจได้ว่าคุณตาจะไปสู่สุคติและถึงแดนเกษมตามความปรารถนาโดยไม่ต้องสงสัย จากหนังสือรำลึกถึงนาวาเอกสกลรสานนล10สิงหาคมพุทธศักราช2540โดยหม่อมราชวงศ์ทองศิริทองแถมเมื่อพูดถึงคุณตานาวาเอกสกลรสานนก็ขอเพิ <loading üt ifiers> ่มเติมอีกสักนิดครั้งหนึ่งประมาณพศ2539ผมเดินผ่านห้องแจกหนังสือ ซึ่งอยู่ตรงใต้ถุนที่วางตู้เซฟตรงหัวมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศาลาซึ่งทำเป็นห้องเล็กๆสำหรับเก็บของคุณยายเจาะพื้นศาลาทะลุถึงชั้นล่างหนังสือแจกซึ่งวางไว้ชั้นบนก็จะถูกลำเลียงผ่านช่องที่เจาะไวน้นี้ลงมาชั้นล่างผมเห็นท่านอาจารย์เติมถ้าจำไม่ผิดกำลังยืนแจกหนังสืออยู่เห็นคนเข้าแถวยาวเหยียดจึงสงสัยว่าแจกหนังสืออะไรหนอ จึงมีผู้คนรอรับแจกมากมายนักผมเดินเข้าไปใกล้ก็เหลือไปเห็นคุณอูดหรือคุณเขมราชัยรสานนยืนเข้าแถวอยู่ด้วยผมตกใจแต่ไม่ได้ตกใจที่คุณอูดมาเข้าแถวรับหนังสือตกใจเพราะเห็นคนเดินเข้ามาแซงคิวตัดหน้าคุณอูดหน้าตาเฉยผมจึงรีบเดินเข้าไปหาและเรียนถามว่าคุณอูดต้องการหนังสือเหรอผมจะนามาให้คุณอูดบอกกับผมว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องลำบากผมจึงรีบไป น, นำหนังสือมาให้หนึ่งชุดทุกคนก็มองกันเป็นตาเดียวว่าเป็นใครกันตลอดเวลาท่านไม่เคยใช้อภิสิทธิ์แต่ทำตัวเหมือนพวกเราทุกคนจนแทบไม่มีใครรู้จักเลยผมเริ่มเข้ามาช่วยงานในสวนแสงธรรมตั้งแต่ประมาณพศสอ3 4สเรื่อยมาผู้คนทยอยเพิ่มมากขึ้นจนแน่นสาลาพอดีกับช่วงหลังสายสามเริ่มตัดถนน จึงเริ่มต้องขยายศาลาเนื่องจากคนมากขึ้นจนล้นศาลาเดิมเดิมล้างจานกันอยู่บริเวณท้ายศาลาทางทิศใต้ตรงทิศตั้งแทงน้ำในปัจจุบันจึงต้องย้ายจากที่เดิมมาติดกำแพงดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงงานล้างจานก็อดพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คือเมื่อพศ .2535 ผมได้ไปงานมุทิตาหลวงปู่เจีย้ยวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามที่ปทุมธานี ไปกับคุณวิรรชัยและพี่สันติวันนั้นมีคนมากผมยืนคุยอยู่กับน้องของคุณสันติเรื่องการวัดพลังงานด้วยกระแสจิตซึ่งน้องคุณสันติมีความสามารถทางนี้ก็มีคนบอกให้ไปรับประทานอาหารพอเสร็จแล้วเราสองคนก็นําจานไปล้างเมื่อไปถึงที่ล้างจานก็ต้องร้องโอ้โหจานล้างไม่ทันกองใหญ่มากเราก็ยืนคอยขณะคอยมีคนข้างหลังพูดขึ้นว่า เรื่องการบริหารจัดการต้องไปดูที่สวนแสงธรรมผมก็คิดในใจว่าดูเผินๆมันง่ายแต่เบื้องหลังมันยากจึงพูดกับคุณวีระชัยว่ากว่าจะเรียบร้อยต้องเปลี่ยนวิธีการหลายครั้งเรื่องนี้ต้องยกให้คุณนวลและคุณเฮงคนทั้งสองทำงานเหมือนปิดทองหลังพระต้องมีความพยายามและอดทนเพราะเป็นสิ่งที่ทายากและเหนื่อยมากต้องสะอาดและเร็วถ้าท่านไม่เชื่อลองไปยืนดูสักวันก็จะเข้าใจ แต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องจริงๆต้องพูดว่าเพราะความเคารพศรัทธาที่มีต่อหลวงตาอย่างมั่นคงจึงทำให้ทุกคนไม่ย่อท้อและแก้ไขอุปสรรคต่างๆจนเป็นผลสำเร็จอย่างที่เห็นผมจึงอนุโมทนาด้วยและทุกอย่างก็ดงเนินไปด้วยความเรียบร้อยเรื่อยมาจนถึงพศสอ3 9ผู้คนก็มากันมากขึ้นจนเต็มสวนแสงธรรม มองไปทางไหนก็มีแต่คนพอดีเกิดวิกฤตเรื่องค่าเงินบาทเศรษฐกิจตกต่ำบ้านเมืองจะไปไม่รอดหลวงตาจึงทำโครงการช่วยชาติขึ้นในพศสอ4 0ซึ่งเกิดความเห็นไม่ตรงกันระหว่างรัฐบาลกับหลวงตารัฐบาลจะเอาเงินในคลังหลวงมาใช้แต่หลวงตาคัดค้านเพราะเป็นเงินของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หจนภายหลังเรียกว่าวิกฤตพลังหลวง รัฐบาลสมัยนั้นโจมตีหลวงตายอย่างรุนแรงผู้ที่ไม่เข้าใจหรือหูเบาไม่พิจารณาตรายตรองก็เชื่อตามลมปากสกรปรกของนักการเมืองที่หลวงตาเรียกว่าปากอมขี้ผู้คนที่เคยมาทำบุญกันแน่นสวนแสงทรรมพอฟังรัฐบาลกิเลศหนาปัญญาหยาบโจมตีท่านไม่กี่ครั้งก็หายหน้าไปจนผู้คนเบาบางวันหนึ่ง คุณเฮงมายืนกลางศาลาและพูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเอาอาหารที่ไหนไปแจกเด็กที่มารับทานผมได้ยินจึงเดินเข้าไปใกล้และบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยให้รู้ไปว่าจะเหลือเพียงพวกเราสี่สิบถึงห้าสิบคนเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะได้รู้ว่าใครเป็นลูกของท่านแท้ๆในระยะเวลานั้นผมก็เสียใจมากไม่แพ้คุณเฮงแต่คนละมุมมอง ผมเสียใจที่ลูกศิษย์มองท่านอย่างผิวเผินไม่พิจารณาถ้าท่านเหล่านั้นตั้งใจฟังเทศของครูบาอาจารย์อย่างจริงจังทุกท้อยขำแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดแต่เนี่ยมีแต่ไม้หลักปักคิเลนพอถูกคนยุแยงเข้าหน่อยก็หายไปรอฟังว่าเขาว่าอย่างไรแล้วค่อยด้อมๆ ม, มาใหม่ต่อมาเหตุการณ์ก็กลับเป็นปกติ โครงการช่วยชาติก็เดินหน้าอย่างไม่ยอมแพ้จนได้ทองคำเกือบ1ิบตันในปัจจุบันถือเป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่ไม่มีใครทำได้เป็นความภูมิใจของคนไทยและลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่ได้ร่วมโครงการและช่วยกันช่วยชาติและเป็นมหากุศลที่พระหลวงตาได้พาทำแก่ชาติบ้านเมืองคิดขึ้นมาทีไรก็ให้ภูมิใจในพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเรา และปลื้มปีติมิรู้หายที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านและจะเทอาทูนพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้เหนือหัวจนตลอดชีวิตจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอันขาดแม้ว่าหัวจะถูกตัดขาดถ้าสามารถพูดได้ก็จะยืนยันคำพูดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงบทความโดยพี่ใหม่เสียงอ่านโดยโจโฉ